พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นของสำคัญมากเป็นของดีมากเป็นของประเสริฐมากเป็นของมีคุณค่ามากในสัพพะยจเราประทาดแผ่นดินแผ่นนา้าแผ่นไฟแผ่นลมตลอดทุกสิ่งสรรที่มีวิญญาณครองสิงก็ดี ที่ไม่มีวิญญาณครองสิงกว่าดีจะนับท่วนหรือไม่ท้วนกว็าตามเม็ดทรายในท่องมหาสมุทรเม็ดหินในท่องมหาสมุทรหรือในแผ่นดินทั่วทั้งพิภพตลอดถึงแดดถึงลมถึงสกลละธาตุดินสกลละธาตุน้ําสกลละธาตุไฟสกลละธาตุลม จะมีมากสักเพียงใดก็ตามก็ไม่มากเท่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหตุฉะนั้นจึงยืนยันว่าอภมาณโอภพธโธ ค, คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณอภมาณโอธรรมโมอภมาณโอสังโฆควาเหมือนกันผู้มีปัญญามากก็มองเห็นมาก ผู้มีปัญญาน้อยพอมองเห็นน้อยคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นมหาอนัตตาคุณอันไม่เกิดไม่ดับเป็นมหาโลกุตระคุณคุณของปู่ทวดย่าทวดตาทวดนายายทวดปู่ย่าตายายพ่อแม่ ตลอดถึงสรรพสิ่งในสกุลนาตัโลกธาตุไหลขึ้นสู่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหลขึ้นสู่คุณพระ น, นิพพานซึ่งเป็นยอดคุณพระพุทธเป็นยอดคุณพระธรรมเป็นยอดคุณพระสงฆ์เป็นของจริงเป็นของมีอยู่อย่างนั้น ท่านผู้ใดจะนับถือหรือดีหรือไม่นับถือหรือดีก็าตามคุณของพระองค์ท่านก็เป็นของจริงของมีอยู่อย่างนั้นทุกยุคทุกสมัยทุกกาลทุกเวลาทุกขณะแม้พระพุทธเจ้าจะไม่มาตรัสรูก้ก็ตามคุณของพระพุทธรธรรมประสงค์แต่ละพระองค์พระองค์ ก็กลมคืนกันอยู่ไม่แย่งกันเลยไม่ได้แย่งธรรมชาตกั น, มกกนเมื่อคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่ไม่มีประมาณจิตใจที่เราระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่มีประมาณมีปัญหาสอดเข้ามาว่าผู้พิจรารณาร่างกระดูกก็ดีผู้พิจารณาเมตตาการุณาก็ดี ผู้พิจนารณาพุทโธธรรมโมสังโฆโดยตรงตรงก็ดีผู้พิจนารนณาอนิจจังทุกครั้งอนัตตก็ดีผู้พิจน า, นารณาสมถานอันใดอันหนึ่งแลแต่สะดวกก็ดีก็รวมลงในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มาสั่งสอนก่อนเพื่อนทั้งหลายก่อนมมทั้งหลายอันเป็นนิยานิกรรมนำสัตว์ทั้งหลายออกจากวัฏสงสาร ออกจากความโลภความโกรธความหลงถึงออกไม่ได้ก็เบาบางไปถ้าธรรมา ก, ก็ออกได้หมดมองไปที่ไหนก็เป็นคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์หมดในส่วนเกี่ยวกับเรื่องอามิตใ น, ส, นส่วนเรื่องเกี่ยวกับทางธรรมาธรรมมิตรทีนี้ ซึ่งไม่ใช่อามิตคืออุดมคติซึ่งสอนให้เรารู้จักให้ทานรักษาศีลภาวนาตลอดถึงสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายพ้นจากวัฏสงสารคุณอันนี้ยิ่งไม่มีประมาณอีกด้วยถ้าคุณอันนี้ถ้าคุณส่วนอามิตเล่านับแต่พมโลกลงมา จนถึงนาครุษสุบันเตก็เป็นคุณของ พ, พระพุทธธรรมประสงค์ทั้งนั้นไม่คีดไฟลูกหนึ่งตลอดถึงเครื่องลุ่งหม่มอุปโภคบริโภคปัจัจสี่จีวรบินทวาดเซนาสนะและสัตว์ทั้งหลาย ที่มีค่ามากและค่าน้อยตามราคาของวัตถุนิยมก็ด้วยเดชคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทางนั้นใครจะทําการทํางานอะไรก็ตามก็ต้องเอาโลภของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปอ้างไปอิงจะเป็นพ่อค้าพ่อขายหรืออะไรก็ตามเอาโลภของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปอ้างไปอิงทางนั้น ทำอย่างนั้นไม่เป็นธรรมทำอย่างนี้ไม่เป็นธรรมก็คือเอาทำคำสอนของพระองค์ไปอ้างไปอิงทางนั้นจะไปซื้อของในตลาดก็เอาคุณพระพุทธธรรมประสงค์ไปอ้างไปอิงซื้อไปทาบุญขออย่าได้ขายแพงนะต้องมีคำพูดเสมอเสมอ เหตุฉะนั้นในทางวัตถุนิยมทุกทุประเภทจึงเป็นคุณและเป็นมหาสมบัติของพระบรมศาสด า, า, าและพระธรรมและพระสงฆ์หมดเพื่อทั้งใต้โลกรธาดมองดูไปไหนในทางนอกทางที่เป็นวัตถุเห็นด้วยตานอกนอกก็เป็นคุณขององค์ท่านหมดที่เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็นั่ง ผลของพระพุธะทธธรรมประสงค์คือกุติวิหารเขาเห็นแก่หน้าค่าชื่อของพระพุธะทธธรรมประสงค์เขาก็เอามาบริจาคทานเฉ็มเล่มหนึ่งก็ด้วยเด็กของพระพุธะทธธรรมประสงค์นับแต่ลูกไม้ขีดไฟเป็นต้นไปดังกล่าวแล้วนั้นตลอดตะเกียงตลอดขัน ตลอดส้วมที่นี่คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลี้ยงมนุษย์ทั้งหลายวันหนึ่งวันหนึ่งค่าอาหารจะมากน้อยสักเพียงไรที่เอาโลกของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปฏิบัตินน เ, เนี่ยเขาวไม่ขี่พิสุสัมเนหอุบาสกอุบาสิกาที่ถือศินแปดที่ถือสินห้าที่รักษาสินแปดสินห้าวันหนึ่งหนึ่งคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลี้ยงมนุษย์ จะตรีราคาก็ไม่มีประมาณอีกเหมือนกันด้านอา ses, หารก็ไม่มีประมาณด้านปัจจัยสีก็ไม่มีประมาณด้านจีวรก็ไม่มีประมาณด้านคำสั่งสอนอีกให้ถึงศิลถึงธรรมอีกสามารถสั่งสอนให้ถึงพระโสดาบันบ้างสักกาคามีบ้างอนาคามีบ้างอรหันบ้างหรือมนุษย์สมบัติบ้างสวรรค์สมบัติบ้างพรหมสมบัติบ้าง ก็ไม่มีประมาณอีกด้วยพิจนารณาคุณของพระบรมศาสด า, ศาของพระธรรมของพระอริยะสงฆ์ซึ่งกลมกืนกันอยู่เป็นเชือกสางเกลียวน้ำตาไหลต้องเปียกหมดผ้าจีวอน กฎหมายกฎหมู่กฏทักกฏทัว่วบรรดาผู้ถือพระพุทธศาสนาก็ต้องเอาพระธรรมวินัยของพระองค์เป็นแว่นตั้งกฎหมายมัธยมโทษในกฎหมายก็ดีมหันจะโทษในกฎหมายก็ดีระหูโทษในกฎหมายก็ดีระหูคุณในกฎหมายก็ดีมัธยมคุณในกฎหมายก็ดี มหันตะคุณในกฎหมายก็ดีเรื่องให้สามัคคีเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นชาติเป็นพบไม่ให้เบียดเบียงซึ่งกันและกันก็ดีก็มาจากคำสอนของพระบรมศาสนาทั้งนั้นฉะนะัยกฎหมายกฎหมู่จึงแยกย้ายและตัดออกและเพิ่มเข้าอยู่เสมอเสมอก็เพราะเห็นว่า มันไม่ถูกตามธรรมะของพระองค์บางอันก็เกินไปบางอันก็ไม่ถึงบางอันก็ย่อนผู้ละอายต่อบาปผู้กลัวต่อบาปาเพราะคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์าอาศัยรักษ า, รกษาธรรมะถ้าหากว่าไม่มีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ไม่มีผู้เขารับนับถือพระพุทธธรรมพระสงค์อยู่ในโลกแทรกแซงอยู่แล้วทะเลน้ำตาทะเลเลือดเสียงดา่าด่าเสียงแช่งเสียงสาบแช่งเสียงเวรเสียงภัยมีอยู่ทุกทิศทุกทางทุกหนทุกแห่ง ทะเลน้ำตาก็จะนองเลือดทะเลเลือดก็จะนองเลือดทะเลน้ำตาทะเลทุกขทะเลบน่นทะเลสาบแช่งเมื่อได้ยินเสียงสวัสดีมีชัยคุณป้าคุณลงุงคุณอาคุณป้ากะเพราะคำสอนของพ่อพระบรมศาสด า, ศาที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณลงุงท่านอาจารย์ ท่านพระครูมีสูงมีต่ำมีชั้นวันลนะตามฐานะให้เกลียดให้ยศตามฐานะตัวเพราะมีพระพุทธศาสนาแทรกแซงอยู่ในโลกถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธศาสนาแทรกแซงอยู่ในโลกแล้วมนุษย์กับสัตว์กับสุนัข ก, ก็ไม่แปลกอะไรกัน ตัวไหนเขี่ยวยาวตัวนั่นก็ต้องชนะไปชั่วคราวแต่ว่าเป็นเวรเป็นภัยกันกูเอามึงมึงเอากูกูเป็นเวรมึงมึงเป็นเวรกูเพียงสินห้าก็เห็นพระเดชพระคุณมากแล้วตานาทิบาถ้าหากว่ามนุษย์ทั้งหลายมีเมตตากรุณาซึ่งกันและกันตลอดถึงสักดิ์สิทธิชาน ไม่ฆ่าแม่แกงกันเวรไทยในเรื่องฆ่าเรื่องแกงก็ไม่มีก็สงบมากชีนทุกๆข้อมารวมอยู่ที่ข้อฆ่าข้อฆ่าตายหงายไว้อธิาทานถ้าหากว่ารักเกินไปที่จบของการรักก็คือลงมือฆ่า กามเมยสุมิทใช้จาย์ถ้าล่วงประเวณีกันมากเมื่อโกรธกันแค้นกันจนถึงที่สุดก็มารวมที่ตัวค่าตัวปานาธิบามุษาถ้าพูดปดหลอกลวงจนให้เสียทรัพย์เสียศีลไม่ให้มีประโยชน์ทั้งผู้ฟังและผู้เอาไปปฏิบัติเมื่อนักเข้านักเข้า โกหกพกลมต้มตุนกันก็มารวมที่ตัวข่าภาณาธิบาทนี่สุราเมรยยะถ้าดื่มให้มากถ้าเราวาดตัวเถียงเกี่ยงงอนกันกูแพ้มึงมึ ง, มงชนะกูอวดดีอวดเด่นอวดอยู่ยงคงกระพันเพิ่นที่สุดก็มาฆ่ากันก็มารวมที่สินข้อต้น เพียงปฏิบัติเพียงสินห้าให้บริบูรณ์เท่านั้นโลค ก, ก็ต้องสงบเครื่องศาตราอาวุธก็ไม่ต้องมีกุญแจก็ไม่ต้องมีเพราะไม่มีอธินาทานไม่ต้องทำให้เสียเวลาการมีสมิตธิฉาจาย์ก็สะดวก ใครนอนที่ไหนก็หลับลูกใครเมียใครผัวใครภรรยาใครสามีใครไปด้วยกันก็ไม่มีระแวงสงสัยก็เบาใจไปเป็นสุขใจไปอีกมุสาวาตใครพูดออกก็เป็นคำจริงเห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นรู้ก็ว่ารู้ไม่รู้ก็ว่าไม่รู้ผู้ฟังก็ ไม่เสียประโยชน์ผู้พูดก็ไม่เสียประโยชน์ทั้งสองทางโรคจะเป็นถูกสักเพียงไหนสุราเมีระยะที่นี่ข้าวที่เอาไปทาสุราแต่ละปีละปีในจังหวัดหนึ่งๆก็หลายหลายร้อยตันผู้ดื่มสุราเมีอะไรมาแล้วไม่เห็นมีประโยชน์อะไร มีแต่ทะเลาะวิวาดบาดหมางมีแต่เสียทรัพย์สินคนดีๆทำให้เป็นบ้าขึ้นได้คนละอายอยู่ก็ทาให้เป็นคนไม่ละอายได้อาหรรองค์อาจในทางดื่มสุรามีอะไรไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเห็นมีแต่ทางเสียหายอาหารององาอาจในทางที่ประพฤติรมในที่ชอบ จึงมีประโยชน์แก่ผู้อาถารพและผู้เอาไปปฏิบัติ ด, ด้วยอาถรรพ์ถึงผายในการดื่มสุรามาเห็นมีประโยชน์อะไรทีนี้ข้าวสำหรับที่เอาจะเอาไปทำสุรานั้นเอามาให้คนกินคนรับทานใช้สอยไปในทางอื่นปีหนึ่งหนึ่งก็มีประโยชน์มากกว่าเพียงสินห้าเท่านั้น โรคทั้งหลายก็สงบหมดทหารไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีเหตุนั้นจึงเห็นคุณค่าของพระบรมศาสด า, ศ า, ศ า, ศาคุณค่าของธรรมะคุณค่าของพระอริยสงฆ์ผู้สื่อพุทธศาสนามาทอดจนถึงพวกเราอันไม่มีประมาณไม่จืดไม่จางออกจากโลกแต่จืดจางออกจากคน คนานเป็นที่เครารพนับถือของชาวพุทธของชาวนักปราชญ์อยู่ทุกยุคทุกสมัยคิดไปมากเท่าใดก็ยิ่งเห็นพระเอกพระคุณมากในพระพุทธศาสนาที่มีเครารพรบนอบมีความละอายต่อบุญบาปมีความกลัวต่อบาปก็คือพระพุทธศาสนานั่นเองไม่ใช่อื่นไกลเลย ถ้าหากว่าไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปลูกระเบิดปรมาณูก็ตามนิวเคลียกก็ตามก็ปกคลองโลกไม่ได้ทำเป็นโร ก, กระบาลคือคุ้มคลองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปจะคุ้มคลองโลกได้ พระบรมศาสดาไม่ได้ยืนยันว่าอาวุธยุทธภัณฑ์เป็นที่คุ้มครองโลกพระบรมศาสดาท่องเที่ยวในวัดตาทรงสาลปกครองหมู่คณะมาเอาความดีปกครองไม่ได้เอาอาวุธยุทธภัณฑ์ปกครองเขามาขอเป็นเมืองขึ้นได้เป็นของทิพย์ปกครองอันอยู่เย็นเป็นสุข จึงส่อแสดงให้เห็นว่าคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณเแล้วและลึกถึงเวลาไหนก็ไม่มีเวลาจืดจางเลยถ้าข้าบเกลือคิบในเวลาไหนก็ไม่นีจจากรสเข็มผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างไม่ถอยหลังอย่างไม่สงสัยกับสุปฏิปันโน ก็มีความหมายอันเดียวกันผู้มีชิ้นห้าบริบูรณ์กับสุปฏิปันโนก็มีความหมายอันเดียวกันผู้ที่ไม่ร่วงอบายมุขทุกประเภทกับผู้เป็นสุปฏิปันโนคือพระโสดาบันก็มีความหมายอันเดียวกัน ผู้ไม่จองเวรอาฆาตจองเวรผูกใจเก็บกับสุปฏิปันโนก็มีความหมายอันเดียวกันผู้ไม่สามารถรบประเวณีของลูกของเมียของผัวท่านผู้ใดกับสุปฏิปันโนก็มีความหมายอันเดียวกันผู้ไม่คบมิตรชั่ว มาเป็นมิตรชักชวนให้เป็นนักเลงหญิงชักชวนให้เป็นนักเลงสุราชักชวนให้เล่นเป็นนักเลงเล่นการพนันชักชวนให้คนลวงเขาโดยของปลอมชักชวนให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้าถ้าเว้นจากเหล่านี้แล้วกับสูปฏิปันโนก็มีความหมายอันเดียวกันพูดถือว่ามีบาปมีบุญเชื่อว่ามรกผลนิพพานมี เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาอยู่ที่ใจเอาใจเป็นที่เคารพเอาใจเป็นหิ่งเอาใจเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตรงเมื่อผูกขาดจองขาดแล้วลึกได้ไม่นึกได้พอดีกับทุตปฏิปันโนก็มีความหมายอันเดียวกัน พโมจันเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาก็หมายถึงผู้มีศีลห้าบริบูรณ์เว้นจากฆ่าสัตว์รับทัดประพฤติผิดในกามมีขอเขตคำว่าสันทิษทิโกในพระพุทธศาสนาหมายถึงพระโสดาบันเป็นต้นไปคำว่าผู้รู้จักอากาลิโกธรรมของพระ อ, องค์ไม่มีกาลไม่มีเวลาผู้รู้จักทัด ปวามหมายสุปฏิปันโนเป็นต้นไปคำว่าเอฮิตชิโกท่านจงมาดูเถิดเรียกร้องตอนมาดูคำสอนของพระบรมศาสดาได้ตลอดถึงเรียกร้องคนอื่นมาดูได้กับสุปฏิปันโนก็มีความหมายอันเดียวกันถ้าเข้าถึงขั้นสุปฏิปันโนแล้ววิชุยยะสามี ก็อยู่ในกรรมมือสุปฏิปนนให้ทานรักษาศีลภาวนาหวังเพื่อคนทุกข์ในวตาสงสารเม่ได้หวังจะมาแข่งดีอยู่ในวตาสงสารหวังอยากจกชนะกิเลสของตนเรียกว่าพวกสุปฏิปนนเรียกว่าพวกอุชุเรียกว่าพวกญาณยะ ส่วนสามีกินั่นพ้นไปแล้วไม่ต้องเอามากล่าวบุคคลผู้มีอำ น, นาจวาสนาจึงสามารถจะเลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์ได้วาสนาต่ำต้อยอยู่บารมียังอ่อนอยู่ก็เลื่อมใสไม่ได้ก็ไม่พอใจรักไข่ในพระพุทธธรรมพระสงค์ ก็ไม่พอใจปฏิบัติศินธรรมของพระพุทธพระธรรมประสงค์อีกด้วยแล้วไม่ยอมเชื่ออีกด้วยเพราะเหตุใดเพราะกรรมมุนินาวัตติโลภุสัตโลกเป็นไปตามกรรมของตนกรรมเป็นเครื่องผูกมัดรัดดึงกรรมในส่วนที่ผิดเรียกว่ากรรมดํากรรมในส่วนที่ถูกเรียกว่ากรรมขาวกรรมขาวเรียกว่ากุศลกรรมคือเป็นทางเข้าสู่พระนิพพาน จิตสมาธิปัญญาเป็นทางเข้าสู่พระนิพพานเป็นหนทางเตียนที่สุดหนทางภายนอกยังมีย่ารกรกชักหรือมีอะไรต่ออะไรหนทางที่พระบรมศาสดาบอกไว้นเป็นหนทางคอนกรีตหรือราอย่างทีเดียวแล้วไม่ได้าดอีกเป็นหนทางดีอยู่ทุกยุคทุ ก, ทกสมัยไม่รกเลยแต่ใจของสัตว์ลกต่างหากหนทางไม่รก ดิ่งเข้าสู่พระนิพพานเลยทมคำสั่ง ส, นสอนพงของพ er ุทธบรมศาสดาเป็นนิยานิกระทานำสัตว์ทั้งหลายออกจากวัตาสงสารจึงมีพระคุณพระเดชพระคุณมากการท่องเที่ยวในวัตาสงสารกับท่องเที่ยวในหลุมฐานเพิงก็มีความหมายอันเดียวกันเพิงแก่เพิงเจ็บเพิงตายเพิงหลภเพิงกุดเพิงหลง เหตุฉะนั้นคําสอนของพระบรมศาสลาจึงไม่จนมุมผู้ต้องการอยู่ในโลกก็มีคําสอนผู้ต้องการปลอยพรมก็ต้องมีคําสอนผู้ต้องการไปมะผลนิพพานก็มีคําสอนอีกเพื่อให้เบื่อเพื่อให้น่ายเพื่อให้คลายเมาในวัฏฏะสงสารให้เห็นโทษในเรื่องเกิดให้เห็นโทษในเรื่องแก่เห็นให้เห็นโทษในเรื่องเกิดเห็นให้เห็นโทษในเรื่องตายให้เห็นโทษในเรื่องนิยมพัทธา ให้เห็นโทษในสิ่งที่ปรารถนาไม่ได้สมหวังให้เห็นโทษในโลกเห็นให้เห็นโทษในโกรธให้เห็นโทษในหลงทำชั้นสูงเพื่อจะฝึกปือจิตใจของตนให้คลายความเมาความหลงออกจากคันทะสันดาลวิญญาณปฏิสนธิจะมีได้เนียวรัง้งในวัตทสงสาร จะยังถึงพระนิพพานเป็นที่แล้วคำสอนมีคุณค่ามากทรัพย์สินในสัพไตยโลกธาตเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินก็มันมีคุณค่าเท่าคำสอนของพระบรมศาสดาไม่ใช่คำสอนลวงโลกแต่ผู้ที่เอาไปเป็นของลวงโลกมันก็เป็นเรื่องของแต่ละรายของบุคคล ไม่ได้หมายทั่วไปเราทั้งหลายไม่ควรสงสัยในพระพุทธศาสนาเพราะพอพุทธศาสนาอยู่กับตัวของเราแล้วเรานอนเฝ้าพระ พ, พุทธศาสนาอยู่อริยธรร ม, มีทิโตนะโรอริยธรรมคือธรรมอันประเสริฐอยู่ที่ขันธะสันดานและจิตใจของสัตว์ทั้งหลาย ผู้ที่มองเห็นผู้ที่เลื่อมใสผู้ที่ศรัทธาผู้ที่เคารพผู้ที่นับถือผู้ที่มีปัญญาด้วยคนวาสนาตำต้อก็ไม่สามารถจะเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้เพราะไม่สมฐานะพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่สมฐานะของผู้ตาต้อของผู้เรียสามจะไปเลื่อมใสนับถือเป็นของสูง ไม่ใช่ข่องต่าๆไม่ใช่คนโง่ๆงจะมาเลื่อมสายศรัทธาบรรดาผู้ถือเคารพพระพุทธศาสนานั้นกับผู้ที่ไม่เคารพพระพุทธศาส น, น, น, นานั้นผู้ที่ไม่เคารพพระพุทธศาสนาเขาเป็นคนฉลาดกว่าผู้ที่เคารพพระพุทธศาสนาอหรือเขาเป็นคนโง่ไปทั้งหมดหรือ ผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานั่นเขาเป็นคนโงท่ทั้งทั้งหมดหรือดูโฉมหน้าโฉมตาของเขาก็ผิดกันก็ผู้ที่ไม่ถือและไม่เคารพพระพุทธศาสนาดูกิริยามา ร, รยาทของเขาก็ผิดกันดูการไปการมาของเขาก็ผิดกันดูความเป็นอยู่ของเขาก็ผิดกัน ผูใดไม่เคารพพระพุทธศาสนาว่าในจิตในใจในคันธัสดานของตนก็ค่ายๆก็ว่าเปลือยกายไม่มีเครื่องนุ่มเครื่องหอมเป็นเครื่องประจานตัวให้นักปาดเห็นเขาดูแคบเดียวเท่านั้นไม่ต้องดูมากเห็นกันแคบเดียวเท่านั้นรู้<ม>แล้ว เพราะกิริยามนระยาตแสดงออกให้เห็นแล้วเพราะเชื่อกของเขาผูกเขาให้เราเห็นแล้วมีดของเขาบาดมือเขาให้เราเห็นแล้วเราไม่ต้องทำนายทายทักเราก็เห็นแล้วเช่นคนเมาสุรามาเขาก็แสดงให้เราเห็นแล้วเราไม่ต้องถามว่าคุณจินเหล้าไหม เราไม่ต้องถามเรารู้แล้วเขาไม่ถือว่าพุทธศาสนาก็เหมือนกันเขาเดินผ่านพระไปเขาทำกิริยามรยาดกับพระยังไงบ้างเราก็รู้ได้แล้วเขาเห็นผู้เฒ่าผู้แกเขาไม่ให้หนทางเขาไม่ให้เกียรติเขาไม่ให้ยศเราก็รู้เขาแล้วรู้จิตรู้ใจเขาแล้วไม่ต้องทำนาทายทักยากไม่ต้องไปภาวนานั่งดูจิตดูใจเขา ท่านเดียวเราก็รู้ได้แต่มันเป็นเรื่องแต่ละลายของบุคคลมันเป็นเรื่องของบุคคลก็ตามเถิดอย่างนั้นเราเอามาพูดเพื่อให้เรารู้จักเฉยๆจะ อ, อย่างไรก็ตามจิตของพวกเรามันผ่านพ้นไปแล้วสิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้สงสัยในพระพุทธศาสนา เราต้องการธรรมะชั้นสูงต้องการธรรมะเพื่อรับรุดพ้นในพระพุทธศาสนาเท่านั้นอุบายใดๆเป็นอุบายจะเอาตัวรอดโดยเร็วโดยไม่ถือว่าพบหน้าพบหลังปัจจุบันนจิตปัจจุบันธรรมอันใดที่รุดพ้นไม่กรอบกาะไม่เหลือเศษไม่กำเริบปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมอันนั้นเป็นของที่มีค่า ที่ต้องการโดยด่วนเพราะเกรงจะเสียใจในภายหลังไฟไม้ผ้าของเราอยู่พรุ่งนี้จึงจะดับก็ไม่เป็นเครื่องอุ่นใจของพวกเราเราก็ต้องรีบดับ ฉันใดก็ดีเมื่อเรารู้ดีว่าเราอยู่ในทะเลแก่ทะเลเก็บทะเลตายทะเลทุกทะเลทานเพลิงเราก็นอนใจไม่ได้ตื่นตัวอยู่เหมือนนกเขานกกระทาเขาจะเอาน้าใส่กระบอกถอกน้าใส่กระลาสเพียงไหนก็ตามจะกินอิม่มน้ำทํำลานก็ตามไม่ไวัย ไหว้ใจในกรงขังก็รองต้องเวียนอยู่เสมอเสมอไม่คุ้นเชื่อกับอะไรทางปวงชั้นใดก็ดีผู้ต้องการจะออกจากวัฏสงสารย่อมไม่คุ้นเชื่อกับอันใดในโลกทางปวงตลอดทางอามิตรด้วยประใจสี่กีวันวินทบาทด้วยหรือลาบยศสนะเสริญด้วย ถือว่าเราอยู่ในทะเลหลุมถ่านเพลิงตื่นตัวอยู่เสมอโพเทตาแก้พูดตื่นตัวตื่นใจตื่นตัวก็ตื่นใจก็ตื่นธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันใจย่อมเป็นที่พึ่งของใจอัตติอัตโนโนาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจไม่หวังพึ่งอันอื่นใจย่อมเป็นหวังพึ่งใจถ้าใจไปทางผิดใจก็ได้รับผิดถ้าใจไปทางถูกใจก็ได้รับผลทางถูกใจจะรู้ตัวหรือไม่ตัวไม่ไม่ไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหา ผลของใจมีอยู่ทุกเมือ่อเหตุของใจก็มีอยู่ทุกเมือ่อการนึกคิดแต่ละบทระบาทจัดเป็นตัวเหตุที่นี้ผลของเหตุก็นําติดตามใจที่นึกที่คิดอยู่เสมอเสมอเช่นใจนึกไปในทางการมวิตกทีนี้ผลของใจก็ตามมาในการมววิตกเช่นใจนึกไปในทางพยาบาท ร ถ, รถจิตลดใจก็นำมาหาใจในทางพยาบาทไม่ได้รอเวลาไม่ผัดวันประกันพรุ่งเรานึกเรานึกโกรธในวันนี้ผลของความโกรธพรุ่งนี้ยังจะมาอย่างนั้นไม่ถูกก็มาในขณะเดียวกันเรานึกเมตตากรุณา ผลของความเมตตากรุณาก็มาหาใจในขณะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราไม่ยอมเชื่อพระพุทธศาสนาเราก็ไปไม่รอดเหมือนกันจำเป็นก็ต้องยกธงขาวเคารพเท่านั้นจะกล่าวตู่พระพุทธศาสนาเป็นของเท็จไม่ได้กล่าวตู่กล่าวตูต่ตนที่ปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบดีกว่า กาวตูต้นที่ปฏิบัติยังไม่ถึงปฏิบัติยังไม่มากเท่านั้นจะกล่าวตูคําสอนของพระพุทธศาสตรสนาไม่มีหนทางเลยทําเราได้ที่พระบรมศาสน า, า, ากล่าวว่าอย่ายาไม่ไม่เป็นทางชิบหายถ้าใครไปเสพเข้าก็ชิบหายจริงๆงเหตุฉะนั้นสิหานาัทางนัทันเตเต พระบรมาสรารีริก่านานุในพุทธบริษัทอย่างพึงภายองค์อาจไม่ขั้นข้ามทุกยุคทุกสมัยทุกทุกพระองค์ด้วยเพราะผลไม่หนีจากในเหตุเมื่อเหตุทำดีตอนไหนๆผลก็นำส่งในตอนนั้นๆในขณะนั้น เหตุใจอันใดที่สงสัยผลของใจอันนั้นก็สงสัยในขณะนั้นเหตุกับผลมาอยู่กันอยู่ไกลกันพอเก้าเลยในขณะเดียวกันเลยเพราะพุทธศาสนามีเหตุผลเหตุผลในทางพุทธศาสนามีสองเหตุเหตุไปทางโลกิยะเหตุไปทางโลกุตระเหตุไปทางโลกิยะก็มุ่งแต่อามิต เป็นเจ้าหัวใจเหตุไปทางโลกุตระก็มุ่งแต่ความรุดพ้นเป็นเจ้าหัวใจเมื่อเหตุต่างกันอย่างนี้ผลมันก็ไกลๆกลกันราวฝ้ากระเพดินดินทีนี้พวกที่เล่นเล่หเล่ น, ลนผา พวกที่หวังร่ำหวังรวยในอบายมุขยังไม่ถึงสุปฏิปันโนยําอ่อนต่ำกว่านั่นอยู่การภาวนาชั้นละเอียดศีลกำจัดกิเลสหยาบ สมาธิอย่างกลางปัญญาอย่างสุดท้ายชนะอนุัยแต่ความเป็นจริงสินสมาธิปัญญากลมกลืนกันอยู่ไม่ได้แยกกันไปทางไหนเหมือนเนื้อกับหนังกับกระดูกกลมกลืนกันอยู่เหนียวรัางกันอยู่ต่างก็อาศัยซึ่งกันและกันฉั้นใดก็ดีสินสมาธิปัญญาก็กลมกลืนกันไปในขณะเดียวถ้าสินละเอียดสมาธิก็ละเอียดปัญญาก็ละเอียด ถ้าศีนยังอ่อนอยู่สมาธิก็อ่อนปัญญาก็อ่อนสีนสมาธิปัญญาจึงเป็นของแยกกันลำบากอยู่เหมือนกันที่แยกกันก็เพราะแยกออกเพื่อให้เห็นเท่านั้นศีนก็แปลว่าตัดศีนลงในธรรมะข้อนั้นสมาธิก็ตั้งมั่นลงในธรรมะข้อนั้นปัญญาก็ให้รอบรู้ในธรรมะข้อนั้นศีนตัดศีนลงในใจ สมาธิตั้งมั่นลงอยู่ในใจตั้งมั่นในทางที่ถูกปัญญาให้รอบรู้ในทางที่ถูกอยู่ในใจศีลตัดศีลในสิ่งที่ดีที่ชอบลงในใจสมาธิให้ตั้งมั่นในสิ่งที่ดีที่ชอบลงในใจปัญญาให้รอบรู้ในสิ่งที่ดีที่ชอบอยู่ในใจตกลงศีลสมาธิปัญญาก็เป็นตัวเดียวกันไม่ต้องได้แยกไม่ต้องเรียงแบบก็ได้ เมื alors, son, ่อศ bon ีลถ bon ึงชั้นพระโสดาบันสมาธิก็ถึงชั้นพระโสดาบันปัญญาก็ถึงชั้นพระโสดาบันเมื่อศีลถึงพระจักรทาคามีสมาธิก็ถึงพระจักรทาคามีปัญญาก็ถึงพระจักรทาคามีเมื่อศีลถึงพระอนาคามีสมาธิก็ถึงพระอนาคามีปัญญาก็ถึงพระอนาคามีเมื่อศีลถึงพระอรหันต์เป็นมหาศีล สมาธิก็เป็นมหาสมาธิปัญญาก็เป็นมหาปัญญากรมกลืนกันไปเป็นลำดับลาดับเราเกิดมาพบอุปสรรคแต่เราก็อยากจะหนีออกจากอุปสรรค เราจะหนีไปทางเครื่องบินมันก็ไม่ได้หนีออกจากทางศีลสมาธิปัญญาที่เราปฏิบัติกันอยู่นี่เองไม่ใช่อันอื่นไกลเลยเรามีโรคเราก็ต้องอาศัยคุณหมอคุณหมอคือใครคือคำสอนของพอบรมศาสต า, ศายาอะไรก็คือธรรมะของพอบรมศาสตาโอสถังอุตมังวัลัง ใครจะเทศดีเทศเด่นสักเพียงไหนก็าตามก็ไม่เท่าพระบรมศาสดาไม่เท่าพระโมกลณาสารีบุตรพระท่านเทศไปหมดแล้วพวกที่เทศดีในภายหลังก็เท่ากับว่าเล่มก้างของท่านเหล่านั้นถึงแม้จะพ้นทุกเป็นพระอรหันในวันนี้ก็าตามในขณะนี้ก็าตามก็เล่มก้างของพระริยเจ้าทั้งนั้นเพราะท่านไปก่อนแล้ว จะว่าตนวิเศษดีเด่นกว่าท่านทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วนั้นเป็นความเข้าใจผิดเสริมมารณ์ทิฏฐิของตนจะว่าทําอันนี้เป็นธรรมของเราอย่างนี้ก็เท่ากับว่าตีตนเสมอพระพุทธธรรมประสงค์พราพระพุทธธรรมพระสงค์กล่าวหมดแล้วสัทธังสัพยัญนชนะเกวราปริปุณนนังปริสุทดทางพรมเจริญยังประกาศเสสิเราประกาศดีแล้วทั้งอัฏฐ์ทั้งพยัญชนะบริบูรณ์ ชื่นเชิงไม่มีสิ่งที่บกคร่องพระบรมศาสดาถ้าหากว่าตอนนี้พระบรมศาสดามหิเทศเราคิดได้เองต่างหากใครใครพิการณาอย่างนั้นเรียกว่าประมาทเรียกว่าตีตนเสมอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ยอมเคารพเป็นอาฆตันอยู่เป็นปรารัษ์ตีเสมอยกตนเทียมท่าน เฉะนั้นพระกัจจายนะท่านอยู่ในอตีอวัน ต, ตีชนบทเขามาถึงองค์ท่านเป็นสรณะขอถึงท่านพระกัจจายนะเป็นสรณะเอออย่ามาถึงอาตมาเลยถึงพระพุทธพทระธรร ม, มพระสงฆ์ยังดีกว่าท่านพิกโอนเลยท่านไม่ลืมตัว ท่านก็เป็นพระอหันต์อย่างเต็มที่แล้วพระอัจิทีนี้เป็นพระอหันต์แล้วท้าสารบุตรขอฟังเทศโอ๊ยอจตจมาเป็นพระเพรศู้ใหม่ไม่สามารถจะแสดงคำแก่ท่านได้ตามเถิด ไม่ต้องแสดงมากก็ได้แสดงย่อยๆก็พอแล้วสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความแปรปรวนและแตกสลายเออพอแล้วครับพอถึงพระโสดาบันแล้วแล้วก็ไปบอกพระโมคคัลลาอีกพระโมคคัลลาพอจวเห็นเออวันนี้หน้าตาผ่องใสามาก เพื่อนของเราคงจะได้ธรรมะอันใดอันหนึ่งจงมาเล่าให้กันฟังเถิดโอ้เราไปพบพระอัตชิองค์ท่านเทศให้เราฟังว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับสูญเป็นธรรมดาเออเข้าใจละไปเถิดพวกเราไปหาพระบรมศาสด า, ศ า, ศ า, ศ า, ศาไปบวชเถิดไปบวชกับท่านเถิดอยู่กับสนชัยปริพากเหตุไฉน พระอาษชิจึงถอมตนแก่พระษารีบุตรเพราะสามัยนั้นราษาดีบุตรอยู่ในสนชัยปริภาชกเขาลือชาปรากฏว่าท่านเป็นผู้มีปัญญาดังไปทั่วทุกหนทุกแห่งเหตุฉะนั้นพระอาศชิจึงพูดทอมตนต่อสารีบุตร ผู้เห็นอนิจจังชัดกับสุปฏิปันโนก็มีความหมายอันเดียวกันผู้เห็นอนิจจังชัดกับผู้เรียนท ร, รมาจากกัปวัตตนสูตรจบก็มีความหมายอันเดียวกันผู้เห็นทุกขังชัดผู้เห็นอนาตตาชัดก็คือผู้นั่นเรียน อนัตตลกข้าหน้สูตรจบก็มีความหมายอันเดียวกันเพราะเนื้อความในอนัตตลกข้าสูตรก็มีอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเท่านั้นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยอนิจจังทุกครั้งอนัตตานี้ในพระพุทธศาสนาเทศมากกว่าเพื่อนเพราะเป็นนิยานิกระทำนําสัตว์ให้เบื่อหน่ายในวัดตะสงสารเมื่อสัตว์ทั้งหลายเห็นอนิจจังชัดเห็นทุกขังชัด เป็นอนัตตาชัดในคันท่าสันดานแล้วความเพลินในวัฏฏะสงสารของสัตว์ทั้งหลายก็ยุบตัวลงความะเกียบตะกายความทะเยอทยานในพบในไหนก็ยุบตัวลงก็ห้ามเบคดคำร่อดลงวิญญาณปฏิสติก็เอื้อมละอาจะมาเกิดแก่เก็บตายอีกผู้เห็นอนิจจังทุกครังอนัตตาชัดก็ผู้เปิดประตูพระนิพพาน ก็มีความหมายอันเดียวกันถูเห็นพ้องกับลมเข้าลมออกก็ยิ่งดีพ้องกับอิริยาบถที่เคลื่อนไหวไปมาพ้อมทั้งขณะจิตที่นึกคิดอีกด้วยเดี๋ยวก็นึกอันนั้นเดี๋ยวก็นึกอันนี้ก็คืออณิจจังอันละเอียดนั่นเองไม่ใช่อันอื่นเลยพูดแต่ละคำละคําเดียวนี้ก็คืออณิจจังในส่วน ละเอียดนั่นเองชงเข้าหูผู้เทศก็เอาอานิจจังเทศผู้ฟังก็เอาอานิจจังฟังเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นศีลสมาธิปัญญากลายเป็นธรรมะไปผู้เทศก็เอาใจเทศ เอาอนิจจังอันละเอียดเทศผู้ฟังก็เอาอานิจจังอันละเอียดฟังเพราะคําพูดคําเทศแต่ละบัตระบาดก็ดับไปเป็น ต, ตอนๆก็เกิดขึ้นเป็น ต, ตอนจิ้ต่อกันถี่ยิบประเทศจะเทศตลอดลุง่งก็มีแต่อานิจจังเท่านั้นทุกครั้งอนาาัตตาเท่านั้น เพรเกิดขึ้นแน่แปรปวนก็ดับไปในคําพูดแต่ละคําละคําและฟังแต่ละบทละบทคหมือนกันเหมือนพยับแดดมันจะแดดวันยังค่ําพยับแดดก็จะแวบๆ อ, อ, อยู่อย่างนั้นล่ะเกิดดับแปรปวนอยู่อย่างนั้นสัญญาความจําของพวกเรายิ่งดับเร็วกว่าพยับแดดอีกด้วยเหตุ น, นั้น ท่านจึงไม่ให้ยืนยันว่ารูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณนมือของเที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแต่สลายเหมือนดังหัวฝีท่านทั้งหลายอย่ายินดีเน้อสิ่งใดที่ไม่เที่ยงท่านทั้งหลายอย่ายินดีท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้เอึอมละอาสิ่งใดมาที่ไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญานั่นเองสิ่งใดที่เป็นทุกข์ก็คือรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญานั่นเอง สิ่งใดที่เป็นอนัตตาก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณนั่นเองก็คือตาของจมูกรื่นกายใจนั่นเองอืมท่านทั้งหลายจงทอดอะไรทอดธุระเสียเน้ออย่าได้มีอุปทานไปยึดถือในที่นั้นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยจงโปร่งทำสังเวทที่ตนเคยลงมาอย่าได้หลงต่อไปอีกเน้อมาเถิดมาเถิดลูกเอ๋ยล้านเอ๋ยที่นี่ไม่มีวุ่นวายที่นี่ไม่คัดค้องอ รีดมาเถิดคําสอนแต่ละบทละบาดค่อยๆกับว่าพร ะ, ระบรมศาเจเรียกอยู่ทุกวันเพื่อผูู้หลานให้เข้าสู่พระนิพพานอืที่นั่นเป็นที่วุ่นวายที่นั่นเป็นที่คัดข้องที่นี่มาวุ่นวายที่นี่มาขัดข้องคือที่จิตที่ใจขององค์ท่านไม่มีหลงเรียกว่าไม่วุ่นวายไม่คัดข้องเป็นธรรมะอันไม่ตายคําสอนแต่ละบทระบาทเรียกเข้าสู่พระนิพพานทางนั้นไม่ได้เรียกให้ติด ไม่ได้เรียกล่อให้ติดอยู่ในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภมสมบัติให้เห็นโทษในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภมสมบัติเพราะอยู่ใต้อำนาจอำนาจจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรหัวและแต่สลายไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นจองเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนอีกด้วยไม่ลงทํามาอมนอีกด้วยไม่จกเกษียณอีกด้วย ในใจโลกธาตุอยู lings, <t> ่แ <ifi> ต <t> ่อานาจอานิจจังทุกครังอนัตตาเสียแล้วอานิจจังทุกครั้งอนัตตาเป็นผู้ปกครองโลกเมื่ออนิจจังทุกครั้งอนัตตาเป็นผู้ปกครองโลกแล้วใครจะมาเป็นเจ้าโลกอยู่ในที่นี้ก็มีแต่แก่เก็บตายและความเมตติยงเป็นเจ้าโลกความเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นเจ้าโลกอทุกเป็นภายใหญ่ของโลก เห็นให้เห็นชัดในปัจ tamam> จุบันใจิตปัจจุบันธรรมเมื่อเห็นชัดในปัจจุบันใจิตปัจจุบันแล้วอติตกิจอติตธรรมในตอนนั้นเราจะไปสงสัยทำไมนี่เราก็ไม่สงสัยเมื่อเห็นอณิจังชัดในปัจจุบ uh ันบันอิจังในอดีตในอนาคตเราก็ไม่สงสัยนี่เพราะผู้นี้ผ่านไปเป็นอณิจัง เป็นนิทานของผู้นี้ที่ผ่านมาอดีตอนาคตเป็นนิทานของผู้นี้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันเป็นนิทานของผู้นี้ที่กําลังเป็นอยู่แสดงให้เห็นอยู่ซึ่งหน้าทั้งอนิจจังทุกขังอนาัตตาด้วยนังหุ่มอยู่โดยรอบด้วยถ้าพิจารณาความป่วยเน่า <c oughs> ก็เห็นความป่วยเมาเน่าทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเสมอภาคกันถ้าพิจารณาความตาย ก็เห็นความตายทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเสมอภาคกันถ้าพิจณาเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมก็เห็นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเสมอภาคกันเมื่อเห็นดังนี้แล้วเราจะปัญหาจะสงสัยโลกมาจากประตูไหนอีกเมื่อเห็นความแก่ในปัจจุบันชัดความแก่ในอดีตอนาคตปัจจุบันมันก็เสมอภาคกัน อุบายใดจะสงสัยในโลกอดีตอุบายใดจะสงสัยในโลกอนาคตอุบายใดจะสงสัยในโลกปัจจุบันมันก็ไม่มีเมื่อมันไม่มีความทะเยอทะยานของมันก็ลดหย่อนลงทีนี้มันละอาแล้วเพราะมันเห็นชัดทีนี้ไม่มีใครมาโกหกพกรวมแล้ว่าโลกใดๆจะเป็นสุขทนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นอุบายจะคลายมาเมาในโลกก็ต้องพิจารณาอย่างนั้น ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทันกับความโง่และปัญหาความหลงของตนจะสอดแสกขึ้นปัญหาของ ต, องตนจะสอดแสรกขึ้นด้วยวิธีไหนก็ขึ้นยากเหมือนกันสมาธิเราเข้าไปผปสมไอชาญหมวกำลังก็ออกมาทุติยชาญหมวกำลังก็ออกมาตัตยชาญหมดกำลังก็ออกมาเจตุธชาญหมกกำลังก็ออกมา สมาธิทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจอ น, นิจจังเกิดขึ้นแล้วแปลผลนั่นแต่สลายพระองค์สอนให้หักให้เป็นเฉยๆเป็นแล้วไม่ให้ติดอยู่ให้รู้ามเป็นจริงให้ยกลงสู่อ น, นิจจังทุกขังอนัจาอากาสานญาจายตระก็ดีที่จะนาอากาศเป็นอารมณ์ยินญาณเป็นอารมณ์ก็ดีตลอดถึงอาชินจัญญาอิตระก็ดีตลอดถึงนิโรธสมาบัติที่เข้าไปอยู่เกียตวันแล้วก็ออกมาออกมาก็รู้สึกหิวเพราะอยู่ใต้อำนาจอ น, นิจจัง เมื่อผู้ไดเห็นอันนี้จังชัดทุกครั้งชัดอนัตตาชัดก็เท่ากับว่าได้เจริญกรรมฐานในทางวัพุธศาสตร์นาครบแล้วเพราะดินฟ้าอากาศไม่ต้องพูดจักรกลกายนี่เองหนังหุ่มอยู่ในรอบถ้าเบื่อนาก็เบื่อนายอันนี้ถ้าหลงก็หลงอันนี้ถ้าไม่หลงก็ไม่หลงอันนี้เราเคยเป็นพ่อค้า แม่ค้ากระดูกมาหลายชาหลายภบแล้วเราจะหยุดจะไม่เป็นพ่อค้าแม่ค้ากระดูกและหนังเลื้เนื้อเละเอ็นเราเป็นผู้หลงของป่วยของเน่ามาหลายชาหลายภบแล้วทีนี่เราจะพยายามไมา่ให้หลงทีนี่เราไปติเตรียนมาแมลงวันว่าหล ง, งของบูตรของเน่า ที่นี่เราไม่กับตีเตียนเราอ่าหลงของบูดของเน่าเราสําคัญเ ร, ราสกุลรกายของเรามันสวยมันงามอืแล้วไปเพิ่งโทษแต่มแรงวันและหมู่นอนตัวของพวกเราก็เป็นนอนเหมือนกันถ้าเราลงร่างกระดูกก็เรียกว่านอนเหมือนกันมันเป็นทรรมหมดถ้าเป็นธรรมอันหนึ่งแล้วพูดไปมันก็เป็นธรรมหมดทีนี่ถ้าพิจารณาอันหนึ่งถูกว่าก็ถูกไปหมดนี่พอเป็นรูปาให้เบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏจักรสงสาร ให้จิตเป็นสมาธิก็เพราะอยากจะให้ยืนดูสิ่งของมันจึงชัดถ้าไม่ยืนดูวิ่งไปมันไม่ชัดวิ่งดูสิ่งของมันไม่ชัดเหตุฉะนั้นจึงให้จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในลมเข้าออกบ้างตั้งมั่นอยู่ในร่างกระดูกบ้างคุณมีเท่าใดโทษมีเท่าใดให้เห็นหมดถ้าวิ่งดูสิ่งของมันก็ไม่ชัด เหตุนั้นจึงให้เป็นสมาธิบ้างแล้วม่ให้ติดอยู่ในสมาธิด้วยแล้วม่ให้ติดอยู่ในปัญญาด้วยแล้วไม่ให้ติดอยู่ในผู้รู้ด้วยทําชั้นสูงให้ทรงคืนหมดเนี่ยผู้พริกณาทำชั้นสูงพ่อเขาลงเข้าลงออกเป็นแต่สักวารู้เป็นแต่สักว่าเห็นอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเพราะเขาจะถอนอุปาทานในทั้งอดีตอนาค <seguinte> ตจะไม่สําคัญตัวในที่ใดใดทั้งสิ้น เมื่อเขาไม่สําคัญตัวในที่ใดๆทั้งสิ้นวิญญาณของเขากระดับไปจิตของเขาก็ ว, ว่างทำของเขาก็ ว, ว่างไปอีกด้วยว่างจากความยึดถือจินรวมปานเขาก็เข้าสู่อนุปราทเฉยสันิพานไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักรงสารอีกเพราะไม่มีสิ่งขยึดเพราะว่างไปหมดแล้วว่างจากผู้ยึดถือว่างจากเราจากเขาจากสัตว์จาบุคคล ธาตุดินก็สง่งส่งคืนให้ธาตุดินธาตุน้ำก็ส่งคืนให้ธาตุน้ำธาตุไฟก็ส่งคืนให้ธาตุไฟธาตุลมก็ส่งคืนให้ธาตุลมผู้ลูกก็ส่งคืนใน้ผู้ลูกจิตก็ส่งคืนให้จิตไม่เข้าไปแย่งไม่เข้าไปชี้ไม่เข้าไปโพดผู้นั้นก็พ้นทุกในวัาฏ์สงสารเท่านั้นไม่มีปัญหาอะไรมากเอาละทีนี้องคนิพพานผู้ทังองคนิพพานอยู่ทุกเมื่อผู้ทังองนิพพานอยู่ทุกเมื่อ มันยังค <Bond> ้ำเลยแล้วก็หลวงปู่ก็มันใกล้จะตายแล้วกระช่างมันเถอะอืมใกล้จะตายไปแล้วในส่วนสกุลกายแต่จิตใจไม่ยอนตายธรรมะไม่ยอนตายหปู่จะคะลูกหลานทอนเงินปู่อยู่เป็นร่มโพล่งตายอย่นี้นานเพราะบรรดาครูบาอาจารย์ที่ยี่อาุทั้งหลายทีนี้ก็พากันทิ้งคาดขันก็มันผ่านได้มากโขน่ะ นิมนต์ลูกปูเม่ตาลูกหลานโยให้ลูกหลานทีมาอาศัยด้วยจะจะผ่านจะเป็นที่พึ่งทางใจได้มาชมบารมีเช่นบ้างนะลูกปูก็จะขอมอบให้พระธรรมเป็นผู้ตัดสินลูกปูตัดสินเอาไม่ได้อืขอให้พระธรรมตัดสินเอาเถิดลูกปูก็รับอยู่แต่ว่าขอมอบให้พระธรรมต่อไป ให้พระธรรมเนินพุทธศิลป์หรือหลวง ป, ปู่จะตัดสินเอาเองก็เข้าข้างตัวให้พระธรรมนินพูทธศิลป์เอาให้กรรมและผลของกรรมของหลวงปู่เป็นผู้ตัดสินเอาหลวง ป, ปู่ก็รับอยู่รับนิมนต์แต่ว่าหลวง ป, ปู่ยังมอบให้ผลของกรรมอีกด้วยมอบขึ้นไปอีกเพื่อให้ผลของกรรมมีสิทถ้าหลวง ป, ปู่จะไม่สิทเหนือผลของกรรมไปหลวง ป, ปู่ก็ ไม่รู้ทำไม่ขอรบทำนี่ข อ, อนีมม้มอนงปูนั่งสบายสบายซับพอนสบายสบายเถอะคะเดี๋ยวท่านจะมื่อยแต่ว่าท่านอาภาทางข้อสะโพกอยู่เลยคะสะโพกลมไม่ค่อยเดินอไต่เมื่อปลาลบธรรมะเข้าถึงพิกถึงขิงแล้วมันก็ลืมไปทีนี่ลืมไปบ้าง <laughs> เลี้ไปบ้าเพราะไม่เอาใจใส่กับมันถ้ามันอยู่เฉยๆก็เอาใจใส่กับมันอยู่ว่าง <laughs> แล้วมีเจ้ามีบมอที่มาถวายยากระทัทนหันอย่างไรคะก็มีบ้างเขาก็้ามาถวายบ้างแต่ว่าก็พอทุ่เราทุ่งเราไปพอทุ่เราเท่งเราไปแต่ทุ่งเราไปหาไปหาเรื่องของมันแหะแต่หาเรื่องของสังขารนี่แหละ ชั้นชันีล้วเขยังชั่วเขายังชั่วอยู่ลูกครูต้องฉันตามเวลากําหนดนะคะเพื่อให้ลิยามันต่อเนื่องกันเรือว่าจะดับมันได้สู้มันไว้สักหน่อยนะสู้ความขาดกันไวสักหน่อยสู้มันไวสักหน่อยอย่าได้ปล่อยมันนะอย่าได้ยได้ปล่อยให้มันมีอํานาจมากต้องสู้มันไว้สักหน่อยนะถ้าอย่างนั้นมันจะมีอํานาจมากให้ลูกหลานได้มีที่พึ่งที่พาวเด้อ เลยออกเดินใจมาก็ยังได้มาต้วงปูทั้งหลายก็จะนิพพานกันหมดลูกหลานก็ไมีเจ้าก็จะไปพึ่งพลาที่ไหนเจ้าค่ะตอนนี้มันนงปูอยู่ให้เป็นร่องโพ่องใจในลูกหลานนานๆนะเจ้าค่ะเมื่อวันพุธเป็นค่ะพุธวันพุธได้ขึ้นใบกาบงปูแหวนค่ะคือว่าเดี๋ยวนี้ท่านก็ฉันแต่ผลไม้นิดหน่อยแล้วก็ข้าต้มเท่านั้นเองค่ะ นั้นก็เลยผลไม้ที่ทางนู้นที่เวลานิ้ใช้ชันชาวพอจะชันได้ก็มีรองกองค่ะทง่เชียงใหม่ก็หายากเลยน้ําก็ไม่ชันนะจ๊ะหมอเขาบอกเป็นโรคขาดน้ำวันวันท่านไม่อยากฉันเลยค่ะผลไม้อะไรก็ต้องแบบว่าอาจารย์หนูพยายามพยายามป้อนต้องใช้คำว่าพยายามต้องต้อนเป็นชั่วโมงจนกระทั่งถึงเที่ยงแล้วค่ะจดถึงจะยกออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะท่านฉันช้ามาก แล้วท่านก็ไม่ค่อยพูดเลยเพราะท่านเหนื่อยค่ะนี่ท่านท่านเหนื่อยแล้วท่านหมดหวังในลูกๆ ก, กันหลานแล้วท่านหมดหวังในลูกๆ ก, กันหลานแล้วลุงปูนะ่ท่านก็จะไปตามเรื่องขององค์ท่าน อ, อ่าท่านอาจารย์เลื่อนเจ้าอาจารย์เลื่อนอาจารย์เลื่อน<า>บอกว่าที่จริงอาจารย์เลื่อนจะทุดลงมาหาลุงปู่ค่ะ แล้วก็เลยบอกว่าไปกราบลาหลวงปู่แวนหลวงปู่แม่อนุงญาตบอกว่ากราบลาขอจะไปสักเจ็ดแปดวันเถิด